เจริญพท่านผู้มีจิตศรัทธามีความมื่งใสในพระพุทธศาสนาทุกทา่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสอนของพอระพุทธเจ้าเพราะมีความศรัทธามีความเชื่อในคำสอนของพอระพุทธเจ้าที่ ส, สอนว่าหลังจากที่พวกเราตายแล้วเรายังจะต้องไปเกิดใหม่เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นดวงจิตดวงวิญญาณที่จะต้องไปรับผลบุญผลบาป ที่เรากำลังทำกันอยู่ในขณะนี้เวลาที่เราตายไปถ้าผลบุญมีมากกว่าผลบาปเราก็จะไปสวรรค์ถ้าผลบาปมีมากกว่าผลบุญเราก็จะไปอาบายพอผลบุญผลบาปมีอยู่เท่ากันเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ มาสร้างบุญสร้างบาปใหม่แล้วถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่เราก็ต้องทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สรงกระทำก็คือเราต้องตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของเราเพราะความอยากคือ ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรนความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเป็นความอยากสามชนิดนี้ที่จะฉุดลกให้ใจของพวกเรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่แต่ถ้าเราสามารถทำลายความอยากสามชนิดไ ด, ได้ก็จะไม่มีอะไรมาฉุดมาาก ให้เรามากับมาเกิดแก่เจ็บตยายใหม่ความอยากทั้งสามนี้ก็เปรียบเหมือนกับวัวควายที่เราใช้ลากเกวียนมีอยู่สามตัวถ้าเราฆ่าวัวควายทั้งสามตัวนี้ไปแล้วมันก็จะไม่มีอะไรมาลากเกวียนให้ไปไหนมาไหนได้ถ้าเราทําลายความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดได้ ความอยากร่มอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตได้แล้วก็ทาลายความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปแต่ถ้าเรายังทำไม่ได้เราก็ต้องพยายามทำบุญให้มากๆไว้ก่อนบุญนี้เปลี่ยนเหมือนกับรายได้บริสั์นี้ เขามีรายได้มีรายจ่ายเขาจะรู้ว่าปีหนึ่งนี้เขาจะกําไรหรือขาดทุนถ้ามีรายรับมากกว่ารายจ่ายก็เรียกว่ากําไรส่วนที่กําไรนี้ก็เอาไปเที่ยวกันเอาไปหาความสุขกันบุญของพวกเราก็เป็นเหมือนรายรับส่วนบาปก็เป็นเหมือนรายจ่ายถ้าเรา มีบุญมากกว่าบาปมีรายรับมากกว่ารายจ่ายเราก็ถือว่ากำไรเราก็เอาเงินกำไรนี้ไปเที่ยวไปหาความสุขกันบุญก็จะพาเราไปท่องเที่ยวในสวรรค์ชั้นต่างๆแต่พอบุญที่เราได้กำไรนี้หมดไปเราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ เช่นเดียวกับบาปถ้าบาปมีมากกว่าบุญบาปก็จะเดิมให้เราไปใช้โทษในอบายไปนรกไปเป็นเปรตไปเป็นเดชะชานไปเป็นผีแล้วพอบาปที่เราได้ใช้โทษหมดแล้วบุญกับบาปมีเท่ากันอยู่ในใจของเราเราก็จะมา เกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาสร้างบุญสร้างบาปใหม่แล้วก็ไปนรกไปสวรรค์ใหม่ชีวิตของเราก็จะเป็นไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิน้นการเวียนว่าตายเกิดของพวกเราเนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีจำนวนมากมายไม่สามารถเขียนได้ด้วยตัวเลขแต่สามารถประมาณได้ ด้วยน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาติเวลาเราทุกข์เราเศร้าโศกเสียใจเราร้องโหยร้องไห้กันพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราเก็บน้ำตาที่เราร้องในแต่ละภพแต่ละชาติมารวมกันนี้น้ำตาที่เราร้องไห้ไปเนี้ยจะไม่มากกว่าน้ำในมหาสมุทรสี่คิดดูก็แล้วกันว่า เราต้องมาเกิดกี่ข้างด้วยกันถึงจะร้องให้ได้น้ำตามากกว่าน้ำในมาหาสมุทรนั่นแหละคือจำนวนภพชาติของพวกเราจำนวนกับปริมาณของการเกิดแก่เจ็บตายของพวกเรามีมากขนาดนั้นแล้วก็จะมีต่อไปเรื่อยๆถ้าพวกเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มา ฟังคาสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้พวกเรานี้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้การหยุดความอยากสามอย่างนี้ไม่ได้เป็นของยากเย็นอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนแต่อย่างใดเวลาเราไม่มีความอยากนี้เรากลับมีความสุขความสบายมากกว่ามีความอยากไม่เชื่อลองเปรียบเทียบดู เวลาไม่มีความอยากนี้เรานั่งอยู่เฉยๆได้อยู่บ้านเฉยๆได้แต่พอมีความอยากออกนอกบ้านนี้อยู่ในบ้านไม่ได้อยากไปหาเพื่อนอยากไปเที่ยวอยากไปดูหนังฟังเพลงอยากจะไปเดินตามห้างสรรพสินค้าต่างๆอยากจะไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆพอเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาแล้วใจอยู่ไม่เป็นสุขแนละ้ว อยู่ไม่ติดบ้านนะจะรู้สึกหงุดหงิดลำคางใจเวลาที่ไม่ได้ออกไปนอกบ้านแต่ถ้าเราไม่มีความอย่างนี้เราจะไม่อยากไปไหนอยู่บ้านแสนจะสบายห้องน้ำห้องท่าก็สะดวกไม่ต้องเสียเวลาแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ต้องเสียเงินเสียทอไม่ต้องไปติดรถในบนท้องถนนแต่ความอยากนี้มันจะทาให้เรา เห็นสวรรค์เป็นนรกไปเห็นบ้านของเราเป็นนรกเห็นนรกเป็นสวรรค์เห็นว่าออกไปนอกบ้านแล้วจะมีความสุขแต่หารู้ไหมว่าออกไปก็ต้องไปเผชิญกับปัญหาต่างๆปัญหารถติดปัญหาคนดีไม่ดีก็อาจจะถูกคนเข้าจี้ถูกคนเข้าปั้มถูกคนเข้าฆ่าได้นี่คือเรื่องของความอยาก ที่จะฉุดลากให้ใจของเรานี่อยู่ไม่เป็นสุขแล้วหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปความอยากนี้มันก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะความอยากนี้มันอยู่ในใจใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากนี้มันก็เลยลากให้เราไปเกิดใหม่กันไปใช้บุญใช้บาปกันก่อนถ้ามีบุญเราก็ไปรับผลบุญ ถ้ามีบาปมากกว่าบุญก็จะพาเราไปรับใช้รับโทษของบาป ท, ที่เราทำไว้เนี่ยพวกเดรัจฉานทั้งหลายนี้เป็นพวกที่กำลังรับโทษของบาป ท, ที่เขาทำไว้ในอดีตในอดีตเขาฆ่าเขารักทรัพ์เขาประพฤติผิดประเวณีเขาพูดปดเขาเสพสุรายาเมาพอตายไป เขาก็เลยต้องไปเป็นเดลัาชานหรือถ้าทำบาปมากกว่าหนักกว่าก็ไปนรกนรกก็เหมือนคุกตารางเรามักจะมองไม่เห็นคนที่ติดนรกกันคนที่ติดคุกติดตารางกันเพราะเขาไม่ปล่อยให้ออกมาเพ่นพ่านฉันใดดวงจิตดวงวิ ญ, ญญาณที่ไปตกดนรกเราก็จะมักมองไม่เห็นกันเห็นแต่พวกที่ไปเป็นเดลัาชาน เพราะมีรูปมีร่างนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วนำมาสอนพวกเราเพราะสงสารพวกเราเพราะเห็นว่าพวกเราไม่มีวันจะรู้เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยเพราะพวกเราเป็นเหมือนคนตาบอดหรือคนที่ถูกของมัดปิดตาเอาไว้ ถ้าเราไม่เอาสิ่งที่ปิดตาเราออกเราจะไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่คนไม่ได้ถูกปิดตาเห็นได้พวกเรานี้ไม่สามารถเห็นนรกเห็นสวรรค์ไม่สามารถเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของตัวเราเองได้เพราะตาของเราคือตาในที่เรียกว่าตาทิพนี้ถูกปิดด้วย ความหลงถูกปิดด้วยโมหะอาวิชชาพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนหน้านี้ก็ตาของท่านก็ถูกปิดเหมือนพวกเราแต่พระพุทธเจ้านี้มีความสนพระทยัยอยากจะรู้อยากจะเห็นว่าตายไปแล้วทำไมต้องกลับมาเกิดใหม่มก็เลยใช้วิธีการศึกษาด้วยการ นั่งสมาธิทำใจให้สงบการนั่งสมาธินี้เป็นการปิดตานอกแล้วเปิดตาในาเวลานั่งนี่เราจะหลับตาตาตานอกคือตาที่อยู่ที่ร่างกายแล้วทำใจให้สงบ พ, พอใจสงบตาในาก็จะโผล่ขึ้นมาจะเปิดขึ้นมาเลยทำให้พระพุทธเจ้าทรงเห็นดวงจิตดวงวิญญาณของท่าน เนดวงจิตนวงวิญจาณของผู้อื่นที่หลังจากที่ตายไปแล้วได้ไปอยู่ที่ไหนไปเกิดที่ไหนไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปเป็นเปรตไปเป็นไดลัชานไปตกนรกทรงเห็นได้เพราะเปิดตาในพวกเราถ้าปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนพวกเราก็จะเปิดตาในของพวกเรา แล้วพวกเราก็จะเห็นอย่างเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นจะเห็นว่าเวลาเราตายไปแล้วเราจะไปที่ไหนต่อเราจะรู้ในใจของเราว่ามีบุญมีบาปมากน้อยต่างกันเพียงไร <c oughs> นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็นำมาสั่งสอนพวกเราเพราะสงสาร ถ้าไม่สั่งสอนพวกเราก็จะไม่มีชวันรู้ว่าตายแล้วจะต้องไปเกิดต่อจะไปสูงไปต่ำแล้วไปดีไม่ดีไปแล้วจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายมาทำบุญทำบาปใหม่เรื่อยๆ เ, เพราะเราไม่รู้ว่าทำบุญแล้วจะได้อะไรทำบาปแล้วจะได้อะไรส่วนใหญ่เราจึงมักจะทำบาปกันเพราะทำบาปมันง่ายกว่าทำบุญ นี่คือเรื่องของพวกเราที่ต้องมาหาพระพุทธเจ้ามาฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าชีวิตของเรานี้ไม่ได้จบที่ความตายของร่างกายชีวิตของเรายังต้องไปต่อเพราะเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเราอยู่ที่ใจเราออกมาจากใจที่คิดเราเป็นคนคิด เวลาที่เราจะมาวัดนี้ได้เราต้องคิดก่อนคิดว่าวันนี้จะมาวัดแล้วก็สั่งให้ร่างกายพูดชวนเพื่อนฝูงพี่น้องว่าวันนี้มาวัดกันพอถึงเวลาก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาถ้าร่างกายไม่มีใจไม่มีเราร่างกายก็จะเป็นสร้างศพไปเวลาคนตายนี้แสดงว่าคนที่สั่งให้ร่างกาย ของเขาทำอะไรต่างๆนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายแล้วเขาไปรับผลบุญผลบาปของเขาแล้วผู้ร่างกายนี้จะไม่รู้เรื่องร่างกายนี้จะเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งเท่านั้นเองเอาเข็มไปทิ่มไปแทงมันก็ไม่รู้เวลาเขาชันะสุดศพพาศพออกมาเพื่อดูสาเหตุของการตายว่าตายด้วยเหตุอะไรร่างกายมันก็ไม่รู้สึกอะไร เพราะผู้ที่รู้สึกนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแล้วผู้ที่รู้สึกก็คือพวกเรานี่แหละตอนนี้พวกเรารู้สึกเวลาอะไรมาแตะร่างกายเราเพียงนิดเดียวเราก็รู้แล้วเวลามุดมากัดนิดเดียวเราก็รู้เลยเพราะว่าเราเป็นผู้รับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วเราก็เลยสุขทุกข์ไปกับการรับสิ่งต่างๆของร่างกาย เวลาร่างกายถูกของแข็งทุกตีเราก็รับรู้ว่าร่างกายเจ็บเวลาร่างกายสัมผัสกับของนุ่มของเย็นของสบายเราก็รู้ว่าร่างกายกำลังสุขกาลังสบาย<ม>ผู้รู้คือเราผู้คิดคือเราผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่มีวันตายแล้วก็เป็นผู้ที่สั่งให้ทำบุญหรือทำบา วันนี้ผู้รู้ผู้คิดก็สั่งว่าวันนี้มาวัดมาทําบุญกันพอทําบุญแล้วใจของเราก็จะมีความสุขมีบุญเพิ่มขึ้นมาถ้าเราทําบ่อยๆทํามากกว่าทําบาปเวลาร่างกายตายไปเราก็จะมีบุญมากกว่าบาปเราก็จะได้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ชั้นต่างๆแต่ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิด เราก็ต้องพยายามกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้วิธีที่จะกำจัดความอยากพระพุทธเจ้าก็สอนให้พวกเรารักษาศีลแปดกัน 8. พร ก, การรักษาศีลแปดนี้จะห้ามให้เราไม่ให้ทำตามความอยากเช่นอยากจะนอนกับแฟนก็นอนไม่ได้คนที่ถือศีลแปดนี้นอนกับแฟนไม่ได้อยากจะ รับประทานอาหารมากๆากตามความอยากก็รับประทานไม่ได้เพราะรับประทานได้เพียงเที่ยงวันเท่านั้นหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะไม่ให้รับประทานอาหารตามความอยากอยากไปเที่ยวก็ไปไม่ได้อยากดูหนังฟังเพลงร้องลําทําเพลงก็ทําไม่ได้อยากจะแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยให้งามก็ทําไม่ได้อยากจะนอนบนฟูกหนาๆ น, นอนนานๆ ก็นอนไม่ได้เพราะจะตั้งนอนบนพื้นแข็งๆเพื่อที่จะได้ไม่นอนมากจนเกินไปนอนมากแล้วก็จะไม่มีเวลามาหยุดความอยากเพราะการรักษาศีม8เพียงอย่างเดียวนี้ยังไม่พอเพียงแต่กั้นความอยากไว้ห้ามความอยากไว้แต่ยังไม่ได้ฆ่าความอยากจะฆ่าความอยากให้ตายนี้ต้องมานั่งสมาธิ เรามาเจริญวิปัสสนาหรือปัญญาถึงจะสามารถฆ่าหรือหยุดความอยากต่างๆได้หม ด, ดถ้าเรานั่งสมาธิได้ทําใจให้สงบได้หยุดความคิดต่างๆได้ความอยากก็จะหยุดไปชั่วคราวเพราะความอยากนี้อาศัยความคิดเป็นเครื่องมือเวลาเราอยากนี้เรามักจะต้องคิดก่อนพอคิดถึงขนมก็อยากจะกินขนมขึ้นมา พอคิดถึงเสื้อผ้าก็อยากจะไปซื้อเสื้อผ้าพอคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวก็อยากจะไปท่องเที่ยวแต่ถ้าเราหยุดความคิดต่างๆเหล่า น, นี้ได้ความอยากก็จะหายไปชั่วคราวเวลาความอยากหายไปเวลาความคิดหายไปนี้ใจจะสงบแล้วจะมีความสุขจะเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุข ที่ได้จากการไปทําตามความอยากต่างๆคนที่ได้ความสงบแล้วก็จะไม่อยากไปเที่ยวไหนไม่อยากจะกินไม่อยากจะดื่มอะไรนอกจากต้องบังคับให้กินเพื่อร่างกายแต่ไม่ได้กินด้วยความอยากกินเพราะว่าต้องต้องเลี้ยงดูร่างกายแล้วถ้าไม่ถึงเวลากินก็จะไม่กินเพราะไม่มีความอยากกินนี่แหละคือ ความอยากที่เราสามารถที่จะหยุดมันได้ทำลายมันได้ด้วยการใช้สติสติเป็นเหมือนเบรกของรถยนต์ถ้ารถยนต์ไม่มีเบรกรถเราจะไม่สามารถหยุดรถยนต์ได้เวลามาถึงสี่แยกไฟแดงถ้าไม่มีเบรกก็จะวิ่งฝ่าไฟแดงไปแล้วก็ต้องไปชนกับรถคันอื่นใจของเราถ้าไม่มีเบรกคือไม่มีสติ เช่นเวลาคนสติแตกนี่เป็นเหมือนคนบ้าทำอะไรก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวทำไปแล้วก็ไปมีเรื่องมีราวกับคนนั่นคนนี้ไปสร้างความเสียหายให้กับคนนั่นคนนี้แสดงว่าสติแตกไม่มีสติเลยอย่างพวกเรานี้ยังมีสติบ้างแต่ยังมีไม่เต็มร้อยมีพอที่จะรู้ผิดถูกดีชั่วได้ รู้ว่าถึงเวลาจะต้องนั่งเฉยๆถึงเวลาจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ได้แต่ยังไม่มีกําลังพอที่จะหยุดความคิดต่างๆได้สติของพวกเรานี้มีพอที่จะให้เราประคับประคองการกระทําของเราไม่ให้เกิดความเสียหายไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นและตัวเราแต่ยังไม่สามารถหยุดความคิดหยุดความอยากได้ เราต้องสร้างสติเพิ่มขึ้นมาอีกวิธีสร้างสติเราก็ต้องใช้เครื่องมือที่พระเจ้าส่งมอมให้กับเราเช่นพุทโธพุทโธ ท, ท่านสอนให้เราเระลึกถึงพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆเราทําได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับถ้าเราเหมั่นสร้างพุทโธพุทโธขึ้นมาสติของเราจะมีกำลังมาก แล้วพอเวลาเรานั่งสมาธิเราจะหยุดความคิดความอยากได้นี่คือสิ่งที่เราต้องสร้างกันถ้าเราอยากจะหยุดติการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่ชอบความแก่ไม่ชอบความเจ็บไม่ชอบความตายเราก็ต้องไม่ชอบการเกิดเราก็ต้องไม่ชอบความอยากเพราะความอยากนี้จะเป็นเหตุที่ทำให้เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย ถ้าเราต้องการหยุดความอยากเราก็ต้องชอบพุโทโธพุธโทโธพยายามนึกถึงพุโทโธพุธโทโธอยู่เรื่อยๆแล้วใจของเราจะมีเบรกเวลาที่เรานั่งสมาธิเราก็จะหยุดความคิดได้พอใจสงบแล้วเราก็จะมีความสุขความสุขที่แท้จริง<ม>เกิดจากการไม่มีความอยากเวลามีความอยากแล้วใจวุ่นวาย เวลาไม่มีความอยากแล้วเย็นสบายก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาจะเห็นโทษของความอยากต่อไปเวลาเกิดความอยากก็จะได้ห้ามว่าอย่าไปทำตามความอยากทำแล้วจะวุ่นวายจะเดือดร้อนจะเสียอกเสียใจจะโกรธจะเกลียดคนนั้นคนนี้เวลาที่ไม่ได้ดังใจอยากนี่คือปัญญาที่จะตามมาหลังจากที่เรา ทำใจให้สงบได้เราจะเห็นความแตกต่างระหว่างใจที่มีความอยากกับใจที่ไม่มีความอยากใจที่ไม่มีความอยากนี้เหมือนน้ำนิ่งสงบใจที่มีความอยากเหมือนน้ำที่มีคลื่นมีแต่เรื่องมีแต่ราวอยู่ตลอดเวลาพอเราเห็นโทษของการมีความอยากแล้วเราก็จะเลิกความอยากต่างๆได้พอเราไม่มีความอยากในใจแล้ว ใจของเราก็จะนิ่งจะสงบจะมีความสุขไปตลอดเวลาไม่มีวันสึ้นสุดเวลาร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายนี่ใจของเราจะไม่เดือดร้อนใจของเราจะรู้สึกเฉยเฉยเหมือนกับตอนที่ยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะใจไม่ไปยุ่งกับเรื่องของร่างกายแล้วปล่อยวางร่างกายได้แล้วไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้แล้ว ใจหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วนี่แหละคือสิ่งที่พวกเรามาวัดกันมาเพื่อที่เราจะมาสร้างสิ่งที่ดีให้กับตัวเราสร้างความสุข ต, ต่างๆให้กับตัวเราและยุติการเกิดแก่เจ็บตายให้แก่ตัวเราเพราะความเชื่อในคำสอนของพรพุทธเจ้า พราะตอนนี้เรายังไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาของเราเองแต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราปฏิบัติตามเดี๋ยวเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วเราก็จะได้ยุติสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ทำให้เราต้องมาเกิดแก่เจ็บตายกันพอเราหยุดได้แล้วเราก็จะสบายไม่ต้องไปดินน้นรนไปหาเงินหาทอง ไปหาแฟนหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเพราะความสุขที่เรามีอยู่ในใจของเรานี้มันดีกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้เราจึงสามารถปล่อยวางสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆได้เวลาต้องพัดพรากจากกันเราจะไม่รู้สึกเสียใจเลยนี่คือผลที่จะเกิดจากการที่เราปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้า ขอให้เราเชื่อได้อย่างร้อยเปอร์เซนว่าถ้าทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วจะได้ผลอย่างแน่นอนขอให้ทำอย่างจริงจังเท่านั้นเถิดอย่าทำแบบหลอกๆแหละๆทำพอห้องปากหองคอต้องทำกันแบบสุดฤทธิ์เลยทำกันอย่างเต็มที่เลยแล้วรับรองได้ว่าผลจะเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วภายในชาตินี้เลย จึงขอฝากเรื่องของการมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยศรัทธาความเชื่อนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความหลุดพ้นจากกองทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา